พอมันมีความเป็นปกติพื้นฐานเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะน้อยลงแค่แค่ว่าเมฆหมอกที่มันลุมสุมทุมเราตลอดเวลามันก็เริ่มคลี่คลายออกมันเริ่มจางคลายออกมันก็เลยเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ฝึกที่จะอยู่ความเป็นปกติแล้วฝึกการเดินจงกรมการขยับมือการรู้จักที่จะหยุด สัมผัสความเป็นปกตินั้นบ่อยๆจิตมันรู้จักมันรู้จักปุ๊บมันก็เริ่มขยายฐานขยายฐานออกไปพวกนั้นขยายฐานออกไปเรื่อยๆจิตนี้มันก็มีความเป็นปกติมันมากกว่าจิตเดิมที่เคยมีโมหะทีนี้เคยมืดร้อยเปออันนี้เริ่มมีสีเทาๆแสงสว่างเล็ดรอดเข้ามาบ้างมันก็เลยรู้สึกถึงความแตกต่างว่ามันก็นั่งเฉยๆมันก็ปกติได้ไหม ความคิดมันก็ไม่ค่อยมีเนะี่ยพอมันมาก็เห็นได้ว่ามันมาแล้วก็ไม่ตามไปด้วยแต่ทีนี้ว่าถ้าเรายังไม่มีฐานอะไรเลยเราไม่มีฐานของความเป็นปกติเลยเนี่ยเราจะนั่งเฉยเราจะว่างเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราหันมาดูบ่อยๆหันมาดูบ่อยๆเนี่ยคล้ายๆว่านิสัยจิตจะกลับมากลับมาอยู่กับจิตใจกลับมาอยู่กับร่างกายกลับไปเช็คมันมันจะ มีนิสัยเปลี่ยนนิสัยใหม่ที่แทนที่จะหลงไปกับความคิดก็เข้ามาอยู่กับกายกับใจนี้วนเวียนอยู่ในนี้มันก็เลยเปลี่ยนธรรมชาติของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรจนในที่สุดมันก็ว่างได้อย่างสมบูรณ์ก็เป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเวลาของความเป็นปกติเวลาที่จิตมันเป็นปกติมันสงบละ ง, งับเวลาที่จิตไม่มีความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งอะไรเนี่ยเป็นนาทีทอง เป็นนาทีทองของการปฏิบัติธรรมที่เราจะได้รู้ได้เห็นจิตพาจิตใจนี้ได้สัมผัสสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งสิ่งนั้นบ่อยๆที่ผมบอกว่าเหมือนกับเรามีทองคาเราอยาอาไปถูกัะเบื้องเล่นเสียดายของถ้าเรามีความเป็นปกติอยู่แล้วเราอย่าเอาความเป็นปกตินั้นเอาไปหลงเพลินกับโลกอย่าเอาความเป็นปกตินั้นออกไปทาอะไรไร้สาระเราต้องรู้จักมันสัมผัสมัน ให้เราได้อยู่กับมันนานๆนให้เราอยู่ได้อยู่กับมันอย่างต่อเนื่องและไอความเป็นปกตินี่แหละมันรักษาใจเราเอาไว้ที่เขาบอกว่าเราไม่ใช่รักษาศีลศีลต่างหากรักษาเราก็คือความเป็นปกตินี่แหละมันรักษาเรามันจะรักษาเร า, เาไว้รักษาเราจนในที่สุดมันรักษาเราตลอดชีวิตโดยที่เราไม่ต้องถือมันมันนั่นแหละเป็นตัวรักษาเราแบบนั้น เรามีหน้าที่ที่จะต้องหาทางที่มันรัดสั้นถูกตรงแล้วก็เป็นทางที่เราไปได้จริงแล้วเราก็ลุยเลยแล้วมันจะได้เจอผลลัพธ์เดียวกันหมดเมื่อไหร่ก็ตามที่การทำในรูปแบบกับการอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ต่างกันเนี่ยถึงเลัลนไม่ต้องทำแต่ถ้าทำในรูปแบบ เกิดในชีวิตประจําวันมันยังต่างกันอยู่มันรู้สึกว่าเออทาแล้วมันได้กําลังดีกว่ามันรู้สึกว่าเออมันแหมมันมันช่วยอะไรเงี้ยแปลว่า ย, ยังทําไม่พอต้องทําอีกยังต้องทําเหมือนเดิมอ ย, อย่าอย่าช้าใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราโอเคแล้วเราเราไม่ต้องทําแล้วเรานั่งเฉยเฉยหรือว่าเออมันก็ไม่มีอะไรบางทีโดนโมหะกลืนค่อยๆกลืนอนเราไม่รู้ตัวผมไม่อยากให้ เรียกว่าโมเมนตัมเนี่ยที่เรามีวินัยทํามาทํามาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าเออไปอ่านไม่ต้องทําไม่ต้องเดินตรงกลมแล้วนั่งสมาธิแล้วเราก็เราก็เลิกทําไปยอย่างเงี้ยดี๋ยวตอนโมเมนตัมนี้เนี่ยที่มันมีสืบเนื่องอยู่ให้เราสักอาทิตย์หนึ่งแล้วมันเริ่มตกเริ่มตกเนี่ยตอนนั้นเราจะยุ่งแล้วที่เราจะเริ่มเอาสวยแล้วแต่ทไมไม่เหมือนเดิมแล้ววะพอโมเมนตัมมันตกเนี่ยคล้ายๆเหมือนเราปีนหน้าผา เวลามันตกมันตกมันมันไม่ได้ค่อยๆตกเหมือนตอนเราค่อยๆขึ้นมามันตกพวดเลยพอมันพวดเลยนี่เสียกําลังใจสต่เกิดอะไรขึ้นพอมันพวดเนี่ยมันฟุ้งซ่านนี่ยมันลำบากและที่ที่ผมบอกอวิชามันครอบแล้วเสร็จเลยทีนี้กว่าฝุ่นควันจะจางไปครั้งหนึ่งนี่เหนื่อยเลยลองคิดกันไปในอดีตเมื่อก่อนนี้ที่เรายังไม่ทําในรูปแบบเราสนใจธรรมะแต่เราก็ยังไม่ปฏิบัติอะไรมากถามว่ากลับมาชำระล้างได้ไหม วันหนึ่งแทบจะไม่ค่อยได้มันเออมันไม่ได้เลยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะกลับมาชำระเงินได้โดยที่เราไม่ทำในรูปแบบเลยอะสมมติผมให้มีสักหน่อยหนึ่งความมีฉันทะรู้ว่าต้องรู้กายรู้ใจเนี่ยฉันทะคือความพอใจที่จะรับรู้กลับมารู้สึกตัวกลับมาเพราะนั้นมันต้องมีบ้างแหละสิบซนบนพื้นฐานของฉันทะนี้มันต้องมีแต่ถ้าเกิดต้องการให้มันเร็วต้องการให้เรา 18ชั่วโมงต่อวันที่เราอยู่ลืมตาอยู่เนี่ยเราจะใช้ใมันเกิดประโยชน์มากที่สุดเราจะทำยังไงดีเราก็ต้องกระตุ้นกระตุ้นความตื่นตัวขึ้นมาเดิมเรามีแต่หลงถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็หลงเหมือนเดิมไอ้ชันทะนี่กำลังมันไม่พอที่จะเรียกเรากลับมารู้สึกตัวเพรา ะ, ะนั้นเราก็เลยต้องกระตุ้นความตื่นตัวด้านอื่นด้วยอะไรมันก็เลยมีวิธีการคือปฏิบัติในรูปแบบ ซึ่งมันจะกระตุ้นจิตใจให้มันตื่นตัวขึ้นมามารู้จักความเป็นปกติไม่อยู่กับกายกับใจนี้บ่อยๆเพราะนั้น e อ f i c i e n c y ประสิทธิภาพในการที่จะกลับมารู้กายรู้ใจัอเรามันเลยมากขึ้น18ชั่วโมงเคยรู้ 10% จะเป็น 20% ทำเรื่อยๆทำมากเข้ามาครับก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอัตโนมัติค่อยๆไปค่อยๆเพราะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากความหลงอันนี้เป็นความ รู้สึกตัวอันนี้เป็นความตื่นขึ้นมาพอจิตมันเปลี่ยนธรรมชาติจากความหลงเป็นความตื่นควาภาพตื่นนี้มันพาเราพาจิตนี้กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้ทันกายกลับมาเห็นจิตที่เป็นปกติทุกอย่างมันก็เลยเจริญได้แบบมีประสิทธิภาพไม่สูญเสียเวลาหนึ่งวันไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งที่จริงๆเรามีประสิทธิภาพที่จะเจริญได้มากกว่า มากกว่า 10% เปร์เพอความตื่นตัวมันเกิดขึ้นความหลงมันก็มันก็โดนกินเรียบบุบหมดเลยทันทีคือผมจะเน้นย้ําเรื่องความตื่นตัวการนั่งหลับตาเนี่ยพอเราเริ่มหลับตาเนี่ยแรกๆมันตื่นตัวดีเพิ่งเริ่มหลับตามันรู้สึกร้อเของความตื่นตัวแต่หลับไปสัก1ิบสนาทีเริ่มเคลิมเคลิมแต่ว่ายังรู้สึกตัวอยู่นะ เขาเลยคิดว่าเขารู้สึกตัวอยู่เขาไม่ได้เคลิมแต่จริงๆมันถูกเคลิ้มไปแล้วกินไป 20% สิหมด 20% จะมีความรู้สึกตัวอยู่ 80% ถามผมว่ากจา็จะเอ า, าทําไมจะเอาโมหะที่ 20% ทําบเไมไม่จําเป็นผมจะให้ทุกคนเป็น 100% ของความตื่นตัวไม่ใช่เอา 80% ได้เดี๋ยวพอนั่งไปครึ่งชั่วโมงเหลือ 50% ถามว่ารู้สึกตัวไหมรู้สึกเหมือนกันแต่เคลิม้มอีกห้เป็นต์ด้วย ผมไม่ต้องการให้ทุกคนมีจิตแบบนั้นไม่ต้องแชร์ให้โมหะไม่จําเป็นไม่ต้องให้โมหะกินพื้นที่แบ่งกันกินไม่ต้องจะกินคนเดียวด้วยความตืินตัวเมื่อไหร่ที่จิตใจเราเป็นปกติเนี่ยเป็นฐานเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกของความหนักแน่นแต่ไม่ใช่หนักอึ้งมันเป็นความรู้สึกของความหนักแน่นที่ไม่มีน้ําหนักมันเป็นความรู้สึกของความหนักแน่นแต่เบาสบาย มันต้องเป็นแบบนั้นอันนี้คือความเป็นปกติที่เป็นฐานแล้วจะรู้สึกแบบนั้นที่ผมเน้นก็คือว่าให้เห็นความเป็นปกติเราเราไม่ต้องไปเห็นความคิดเพราะว่าหน้าที่เราสะสมความเป็นปกติไว้เป็นฐานความคิดมันจางลงถูกหมทุกคนเห็นผลนี้ใช่ไหมความคิดมันจางลงมันน้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตั้งเป้าว่าเฮ้ยการปฏิบัติธรรมคือการไปเห็นความคิดไปดูความคิดเนี่ย เป้ามันผิดแล้วเพราะอา้าวก็พอเขเห็นความเป็นปกติความคิดมันน้อยลงอ้าวแย่แล้วก็คือความคิดหายไปไหนจะดูมันจะ น, น้อยเงงอกว่าต้องฟังให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราไปดูความคิดเนี่ยคนฟุง้งซ่านชนะเลิศเลยมีความคิดทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมอยู่จริงๆไม่ใช่เพราะตัวเองฐานของจิตมีแต่โมหะยังไม่มีความเป็นปกติเลยมันเลยมีแต่ความคิดทั้งวันให้มันดูทั้งวันมันก็ดูภายใต้โมหะ เห็นทั้งว kind of ันมันก็เห็นภายใต้โมหะเพราะมันยังไม่มีฐานองความเป็นปกตินี้อยู่เลยแต่พอเรามีฐานความเป็นปกตินี้เนี่ยยังมีความคิดอยู่แล้วก็โอเคแล้วก็เห็นว่ามีอยู่ก็แค่นั้นเราจะไม่ตามไปเราจะไม่ไหลตามไปไม่เข้าไปปุงไปแตกไม่ไปจับความคิดนี้มาเป็นของตัวเราเพราะอะไรเพราะเรามีฐานองความเป็นปกติฐานองความไม่มีตัวเราที่บอกจิตมันเลยมีกำลังหนักแน่น เพราะั้นการเห็นความเป็นปกติและอยู่กับมันให้มันนานให้มันต่อเนื่องอันนี้คือทางเดิน